ที่เป็นหมอพยาบาลนะคงรู้จักท่านชีว ก, กะโกมรพัฒนะ์ะหรือว่าหมอชีวกได้ชื่อว่าเป็นไรู้ว่าเป็นบิดาของการแพทย์แผนไทยก็คงไม่ถูกนะแต่ว่าเป็นปรมาจารย์กันแล้วกันของการแพทย์แผนไทยหรือแผนโบราณเป็นที่นับถือของอแพทย์แผนไทยแต่ว่าหมอหรือพยาบาลสมัยใหม่ก็น่าจะรู้จักถ้าถ่าเป็นคนที่มีความสามารถมากในเรื่องการแพทย์ เป็นหมอประจําตัวของพระเจ้าพิมพิสารแล้วก็ของพระพุทธเจ้าด้วยหมอชีวกเนี่ยเป็นเด็กที่ถูกทิ้งนะแม่นี่เป็นนางคณิกาเอาลูกมาทิ้งไว้แต่พระเจ้าพิมพิสารก็มาเลี้ยงเลี้ยงและสต่อหลังหนุ่มชีวกนี่ก็อยากไปศึกษาวิชาวความรู้ก็ปไปถึงตากาศิลาตากาศิลานี่ตอนนี้ก็อยู่ที่ประเทศปากีสถานถือว่าเป็นหมาวิทยาลัยชั้นนํานะ ปูเทวีในเวลานั้นเทวดาสมัยนี้คือเป็นหาวด์ด์นะมออลไรฮาวด์ด์ใครๆก็ไปกันอพระเจ้าประสิทธิโกศธโก็ไปจบที่ตักกสิลาเหมือนกันนะพวกพระราชามหากษัตริย์ในสมัยนั้นเนี่ยที่มีความสามารถนะวิชาวความรู้ก็จบตักกสิลากันทั้งนั้นนะครที่หมอชีวกเนี่ยก็สนใจเรื่องเรื่องยานะก็เรียนอย่างขยันหมั่นเพียรแล้วก็เป็นคนฉลาด แล้วก็แม่คณะก็ต้องเรียนถึงหลายปีนะเรียนแล้วเนี่ยนะจะทดสอบว่าผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยก็มีง่ายๆนะอาจารย์เนี่ยก็ให้หมอชีวกเนี่ยไปเดินรอบเมืองตากศิลาในรัศมีหนึ่งโยธแล้วก็ให้ดูว่ามีอะไรบ้างที่เป็นตัวยาได้รอบเมืองมันก็ก็เหมือนกัเป็นป่าแล้วนะเป็นป่าเป็นทุ่งนะต้นไม้เยอะแยะไปหมดเลยหมอชีวกก็ ทำตามคำสั่งของอาจารย์อ็ไปเดินทั่วใช้เวลานานทีเดียวนะก็กลับมาราย ง, งานว่าไม่มีอะไรเลยที่เป็นตัวยาไม่ได้นะยาทั้งนั้นนะรวมทั้งที่คนมองว่าเป็นวัชพืชด้วยมองว่าเป็นหญ้าไม่มีประโยชน์เนี่ยแต่ว่าหมอชีวกนี่ก็สามารถที่จะมองเห็นได้ว่านี่ก็เป็นยานะเอามาทำเป็นยาได้ อาจารย์ก็เลยบอกว่างั้นสําเร็จการศึกษาแล้วนะกลับมาได้เลยแล้วต่อหลังหมอชีว ก, ก็มาเป็นหมอประจําตัวพระเจ้าพิพิสานแล้วก็ตรอหังพระเจ้าพิพิษาลลรษาก็ให้เป็นหมอประจําตัวพระเจ้าเจ้าเรียกวหมอเทวดาเลยนะที่หมอชีวกเนี่ยได้ไปเดินรอบเมืองนะเจอต้นไม้ทุกชนิดเจอสารพัดนะ แต่ว่าก็เพราะว่าเป็นยาได้ทั้งนั้นเนี่ยอันนี้น่าสนใจนะมีฝรั่งคนนึงเนี่ยชื่ออิมัสันนะก็เป็นปราชต์นะเมื่อสักสองร้ยปีที่แล้วก็บอกว่ากอชะพืชเนี่ยก็คือต้นไม้ที่มีประโยชน์แต่ยังไม่มีคนรู้จักนะเวลาเราเห็นว่าชพืชเนี่ยเราก็มองมันไม่มีประโยชน์เราก็คิดแต่จะกําจัดมันนะสมัยนี้ก็ต้องใช้ยานะค่ายาใช้ยากําจัดกอชะพืชพราะเห็นว่า ไม่มีประโยชน์นะแต่ที่จริงมันมีประโยชน์เพียงแต่ว่าคนยังไม่รู้จักแต่เดี๋ยนี้วิทยาการก็ก้าวหน้ามากขึ้นกบพบว่ามันมีประโยชน์นะมากขึ้นเรื่อยๆนะประโยชน์บางอย่างก็เห็นไม่ชัดนะเพราะว่ามันไม่สามารถจะผลิตออกมาเป็นดอกเป็นผลได้แต่ว่ามันมีมันมียีนนะมันมีสารบางตัวที่เอามาใช้ในทางการแพทย์ได้นะเดี๋ยวนี้พืชหลายอย่างที่เราเอามาปลูกนะเป็นพืชเศรษฐกษิจเนี่ย เดิมมันก็เป็นวัชพืชกันะคนมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยพู้ได้ว่าต้นไม้ทุกชนิดหรือว่าพันไม้ทุกชนิดเนี่ยมันมีประโยชน์ทั้งนั้นถ้ามันไม่มีประโยชน์ก็เพราะเรามองไม่เห็นนะไม่ใช่มันไม่มีนะอันนี้ถ้าเรามองไปนะให้มันกว้างหน่อยนะคนโง่นเนี่ยนะคนโง่นี่เราจะไปคิดว่าเ้าโง่ในทุกเรื่องนะเขาโง่ในบางเรื่องนะ หรือโง่ในเรื่องที่เราสนใจหรือว้าจะมีความฉลาดแต่เรายังไม่รู้เช่นนั้นเองนะไม่มีคนโง่คนไหนนะที่ไม่มีความสามารถหรือความฉลาดในบางเรื่องนะอยู่ที่ว่าเราจะมีแววหรือมีความสามารถมองเห็นหรือเปล่ามีฝรั่งคนหนึ่งนะแกเป็นโรคออทิสติกนะเรียกว่าคุยกับคนไม่ค่อยรู้เรื่องเลย อย่างแรงนะเป็นออทิสติกอย่างแรงผูกผูกเชือกลงทายไม่เป็นเลยแต่สามารถจะท่ทองจําหนังสือนะได้ทุกตัวอักษรเนี่ยสามสิบสี่สิบเล่ม น, นี่ท่องได้ทุกตัวอักษรทุกหน้าเลยนะคนธรรมดาทําไม่ได้นะหรือว่าพวกจบปริญญาหรือหมอนี่ก็ทําไม่ได้นะแล้วอย่างมากก็ท่องได้แค่หนึ่งเล่ม น, นะ หรือแม้ก็ต้องใช้ความเพียนนะก็ aches, มีนับพระที่ท่องประไตบปิฎกได้45เล่มแต่ว่าใช้เวลาหลายปีแต่ว่าชายคนนี้เนี่ยนะแกะอ่านปุ๊บเดียวจำได้เลยนะเหมือนกับว่าถ่ายภาพนะอยู่ในสมองบางคนเนี่ยนะฟังเสียงเพลงนะเสียงบรรเลงเนี่ยเพียงแค่ครั้งเดียวนะจะเป็นบรรเลงด้วยดนตรีด้วยเครื่องดนตรีชนิดใดก็ตาม เป็นเพลงยากๆเนี่ยนะฟังครั้งเดียวนี้เขเล่นได้เลยนะขนาดนักดนตรีระดับยอดเนี่ยยังต้องดูยังต้องดูโน้ตนะแต่นี่เขาเขาเล่นได้เลยนะหน้าที่ดูเหมือนบ้านะมีบางคนไอคิวต่ํามากนะแต่ว่าท่องจุดทศนิยมเนี่ยจุดทศนิยมเนี่ยเช่นผงพายพายนี่มันคือยี่บสองส่วนเจ็ดใช่ไหมยี่สิบสองส่วนเจ็ดเราก็ลองหาดูมันก็ได้สามจุดสามสามอะไรเนี่ยนะ จุดทศ่สัญลักสัญลเนี่ยไม่มีจำกัดนะอินฟินิตี้นะเขาท่องได้นี่เป็นเป็นสิบสิบหน้าเลยนะไอ้ตัวเลขจุดทศนินยมที่เรียงกันเป็นหน้าหน้าเนี่ยคนธรรมดาทำไม่ได้นะอันนี้แสดงว่าแสดงว่าคนที่เราคิดว่าโง่เนี่ยนะเขาไม่ได้โง่ไปทุกเรื่องนะเขามีความสามารถพิเศษนะที่คนธรรมดาอาจจะสู้ไม่ได้เลยซ้ำนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเห็นใครเนี่ยนะหรือเวลาเรามองว่าเราเราโง่เนี่ยอย่ไปคิดว่าเราไม่มีความสามารถนะมันมีแต่เรายังมองไม่เห็นเท่านั้นแหละหรือว่าเรายังไม่รู้แล้วเวลาเราไปปฏิบัติกับใครว่าเขาโง่เนี่ยนะอ่าก็อาจจะเราเองนั่นแหละที่อาจจะโง่ก็ได้เพราะว่าเราเพียงแต่ไม่รู้ว่าเขามีความสามารถอะไรแล้วคนโง่โงนเนี่ยนะก็สามารถจะบรรลุธรรมได้นะ เป็นพาหันอย่างจุลปันตกะเนี่ยหรือจุลปันถกเนี่ยเป็นคนที่งโง่มากในสายพกฒนาเนี่ยคาถาสี่บรรทัดเนี่ยใช้เวลาหนึ่งเดือนนี่ท่องไม่ได้นะมันมีคนแบบนี้นะ ม, มีจริงๆนะัคือว่าคาถาสี่สี่บรรทัดเนี่ยท่องไม่ได้เลยทั้งใช้เวลาสี่เดือนจนพี่ชายเนี่ยนะไล่ออกไปเลยนะบอกว่าฝึกได้ละนะ แค่เสียใจนะเสียใจก็มาทูลลาผู้เจ้าจะขอสึกแต่ผู้เจ้าไม่ให้สึกนะแล้วก็ไปแนะนําการปฏิบัติง่ายๆให้ท่องไม่เป็นท่องได้ท่องไม่ได้ไม่เป็นลายงั่นก็ปฏิบัติก็แล้วกันนะวิธีปฏิบัติง่ายๆนะก็เอาดอกเอาเอ า, เอาผ้าขาวเนี่ยมาคลํำนะมาลูกแล้วก็ท่องไปด้วยแล้โชหะระนังแล้โชหาระนังแปลว่าผ้าเื้นฝุน่นอะ่าสั้นๆไนงะมันแค่สามสี่พยางเนี่ยจุฬาบรรจกา ก, ก็ท่องได้นะ แล้วก็เชื่อฟังง่ายนะเป็นคนเชื่อฟังผูเจ้าบอกว่าให้รูปผ้าก็รูปไปรูปไปรูปไปรูปเป็นชั่วโมงเนี่ยรูปเป็นวันเลยนะปรากฏว่ารูปไปรูปไปเนี่ยมันเริ่มคล้ํานะผ้ามันเริ่มสกปรกนะเพราะว่ า, าคราบใครเหงื้อแล้วก็พิจารณาตอนนั้นเนี่ยพอรูปไปรูปไปจีก็เป็นสมาธิพอเป็นสมาธิก็เห็นเลยนะว่าอผ้ายังไมนเคยขาวตอนนี้มันมันคล้ํามันเปลี่ยนไปละนะก็เข้าใจเรื่องอนิจจังนะ แล้วก็เห็นต่อไปด้วยว่าจิตของคนเราก็เหมือนผ้าขาวนะมันเคยขาวแต่ว่ามันก็กลับมาสกรปรกเพราะอะไรเพราะกิเลสก็เห็นโทษของกิเลสนะแล้วก็เห็นโทษเลยนะว่าไอ้ไอ้ผ้าเนี่ยนะมันมันสกรปรกได้เพราะว่าฝุ่นมันเกาะนะถ้าฝุ่นไม่เกาะผ้าก็ไม่สกรปรกนะก็มันก็จิตนะจิตเนี่ยถ้ากิเลสมันเกาะไม่ได้เนี่ยมันก็ยังสะอาดแผงแผวก็เห็นโทษของการยึดติดนะ ว่าจิตหลุดพ้นเลยนะเป็นพระอรหันต์เลยนะคนโง่โง่เนี่ยยังสามารถจะเป็นพระอรหันต์ได้เพราะจริงๆแล้วไม่ได้โง่ทุกเรื่องนะนะเพียงแต่ว่าท่องไม่ได้แค่นั้นเองแต่ว่ายังอื่นเนี่ยยังมีความสามารถพระพุทธเจ้าก็รู้นะว่าจระปนตกะเนี่ยท่านมีความสามารถนะก็เลยบรรลุธรรมเป็นพระอรหรันตะ์แล้วก็มีคุนวิเศษหลายอย่างนะฉันไม่มีใครที่โง่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเขามีความฉลาดในบางเรื่องเพียงแต่ว่าเรา มองไม่เห็นก็เลยคิดว่าคงโง่คนเลวก็เหมือนกันนะคนเลวเนี่ยก็ไม่ได้เลวสุดๆร้อเอร์เ็นนะก็ยังมีความดีแล้วคนเลวก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้นะก็อย่างพระองคุลิมาเนี่ยองคุลิมาที่เป็นฆาตรกรต่อนเนื่องนะศับสมัยนี้เรีก่าฆาตกรต่อเนื่ อ, รร อ, นองฆ่าคนมาเก้าสิบเก้าคนหรือว่าบางแห่งก็บอกเก้าร้อเก้าสิบเก้านะฆ่าเยอะมากทีเดียวทีแรกอาจจะฆ่าด้วยด้วยต้องการวิชาความรู้นะแต่ฆ่าไปฆ่าไ ป, าไปจิตก็เยี่ยมโหด จนกมาทั่งเห็นแม่ก็อยากจะฆ่าหรือว่าสามารถจะฆ่าแม่ได้ครูเจ้าก็มาขวางเอาไว้แล้วก็มาพูดจาพูดให้องคุริมันสะดุดใจแล้วก็หันมาออกบวชพอบวชแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันตะ์ฆ่าคนเนี่ยยอะแยะหมดนะยังสามารถบรรลุธรรมได้นะไม่ใช่ว่าอามันจะบรรลุธรรมไม่ได้แต่ถ้าไม่บรรลุธรรมนะคนธรรมดาถ้าตายไปนะโอัโนี้ต้องใช้กรรหนักเลยนะ ใช้กรรมหนักนะในชาติต่อไปเรื่องจะต้องใช้กรรมในชาตินีนะ้อย่างคนที่นะไปาวางระเบิดนะที่รับประสงค์เนี่ยคนตายต้งยี่สิบคนอันนี้เรียกว่าต้องใช้กรรมมากเลยแต่พู้ก็พูดนะคนอย่างนั้นเนี่ยนะก็ยังสามารถบรรลุธรรมได้นะถ้าหากว่ากลับตัวกลับใจหรือว่ามีครูบาอาจารย์ดีฉะนั้นคนทุกคนเนี่ยสามารถบรรลุธรรมได้ถึงแม้ว่าจะดูว่าเป็นคนที่เลวร้าย ถ้าเรามองแบบนี้กว้างออกไปนี่ก็จะพบว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้เนี่ยนะมันมีประโยชน์ทั้งนั้นนะไม่ใช่เฉพาะต้นไม้ทุกชนิดที่มีประโยชน์เป็นยาได้สิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นประโยชน์ได้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นแร่ธาตุไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแม้แต่สารกำมะตารลังสีนะซึ่งทําให้คนเป็นมะเร็งก็มีประโยชน์ในการรักษาโรคบางโรคได้เหมือนกันนะไม่มีอะไรที่ไม่มีประโยชน์นะ แล้วกระทั่งอุจจาระปัสสวะเนี่ยคนจีนก็เอาไปทําเป็นปุ๋ยได้ไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่เป็นรูปธรรมเท่าทนั้นนะสิ่งที่เป็นนามธรรมก็มีประโยชน์นะะหรือเหตุการณ์ต่างๆที่เราชื่อมันแย่นะเช่นความเจ็บป่วยความสูญเสียความล้มเหลวตกงานนะหรือว่าถูกเขาด่าพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็มองเห็นแต่ว่าไม่มีประโยชน์นะไม่อยากเจอแต่ไม่มีอะไรที่ไม่มีประโยชน์นะ มีประโยชน์ทั้งนั้นถ้าเรารู้จักมองรู้จักใช้นะการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเห็นประโยชน์ของสิ่งเหล่านี้ไมแต่ความโกรธที่เกิดขึ้นในใจไม่แต่ความเบื่อความเศร้ามีประโยชน์ทั้งนั้นนะหรือประโยชน์ในทางธรรมะนะทาให้เราเห็นถึงความไม่เที่ยงของสังขารทําให้เราเห็นถึงความเป็นทุกข์ที่ไม่น่ายึดถือนะความเจ็บป่วยมาสอนให้เราฉลาดนะอาจารย์พุทธทาสบอกเอาไว้ ดังนั้นถ้าเราตั้งตั้งตั้งจิตอย่างนี้ให้ดีนะว่าอะไรเกิดขึ้นนะกับเราไม่ว่าข้างนอกเช่นเหตุการณ์หรือคําพูดหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในใจมีประโยชน์ทั้งนั้นนะเหมือนกับต้นไม้ทุกชนิดมีประโยชน์ทั้งนั้นแม้แต่ต้นไม้ที่ใครๆมองว่าเป็นข้วจะพืชก็ทําเป็นยาได้ดันั้นถ้าเรามองแบบนี้เนี่ยนะเราก็จะสามารถกับรับมือกับทุกอย่างได้แล้วก็เปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีได้นะเปลี่ยนโทษกลายเป็นคุณได้